เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่าวันนี้ผมอยากจะหยิบยกนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับเกี่ยวกับความเห็นเรื่องถูกผิดเรามาลองฟังดูและคิดตามดูนะครับว่า ความเห็นของใครเป็นความเห็นที่ถูกและความเห็นของใครเป็นความเห็นที่ผิดนะครับณประเทศจีนสมัยโบราณยังมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งณวัดนี้มีระเบียบเพศคนในวัดมาทำประชุมส่วนมนกันณศาลาแหล่งกลางด้วยการตีระฆังใหญ่ตอนตีสของทุกวันครั้งนั้นมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งทุกๆวันแกจะขมีขมันอุตส่าห์ตื่นนอนมาก่อนเวลา จุดไฟเดินส่งไปตามทางปูหินก่อนใครๆเพื่อจะได้ไปจับเอาหอยทากที่คลานอยู่ตามทางเท้าไปปล่อยให้มันห่างอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะไมาอย่างนั้นเวลาละระฆังดังขึ้นผู้คนในวัดก็จะมาสู่สารากันมากมายจะเหยียบถูกหอยทากตายแกก็ทําอย่างนี้ทุกวันวันแล้ววันเล่าและการกระทําของแกนี่เองก็อยู่ในสายตาของพระภิกษุหลุ่มอีกรูปหนึ่งจึงได้มีคําถามกับแกว่า ท่านท่านที่เราเห็นท่านทําอยู่ทุกวันเนี้ยท่านทำทำไมพิกษุหนุ่มรูปแรกจึงตอบว่าผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อประกอบทําความดีสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยๆท่านนอกจากจะสวดมนต์ภาวนาเท่าคนอื่นแล้วผมก็หาบุญกุศลเป็นพิเศษอีกด้วยภิกษุอีกรูปจึง้านขึ้นว่าท่านทราบไหมที่ท่านทําอย่างเนี้ยมันเหมือนกับการก่อกรรมทําเข็นยังบาปมีโทษให้เกิดกับชาวบ้านชาวสวน เพราะพวกเขาต้องเดือดร้อนเพราะหอยทากที่ท่านช่วยสงวนพันไว้ให้เนี่ยแหละมันไประบาดกระจายไปที่อื่นนอกวัดทางการเขาก็สั่งกำจัดสัตว์แพร่โรคชนิดนี้กันหมดแล้วจะเหลือก็แค่แหล่งพ่อพันในวัดเราเท่านั้นแหละคนทั้งหลายก็พอได้รับผลการกระทำของท่านไปทั่วเมืองแขวงฝ่ายใต้นี่แหละขณะนั้นมีภิกษุนุม่มอีกรูปหนึ่งเดินเข้ามาพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น ท่านรูปนั้นไม่ได้มีเจตนาให้เป็นภัยแก่คนทั้งหลายเหล่านั้นตกกันข้ามท่านกำลังบำเพ็ญหน้าที่ของโพธทสัตว์ทำการปลดปล่อยสัตว์ 84,000 พันจากภัยพิบัติและยังช่วยปลดปล่อยทำความปลอดภัยให้พวกเราในวัดด้วยได้บำเพ็ญความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปมีเหตุต้องทำลายชีวิตของสัตว์อื่นให้ล่วงต่อไปอีกด้วยเมื่อไม่เป็นที่ตกลงกันได้ทั้งหมด3รูปจึงพากันไปเฝ้าหลวงพ่อโตกุสันเจ้าอาวาส ท่านอาจารย์ผู้เฒ่านั่งนิ่งฟังการชี้แจงของแต่ละรายแต่และความเห็นด้วยความกรุณาและความเห็นใจเป็นที่สุดท่านได้แต่จ้องหน้าฟังคนโน้นทีคนนี้ทีภิกษุรูปแรกจริงแจงว่าผมก็มีอายุมากแล้วมาบุญเรียนในพุทธศาสนานี้ก็มาเพื่อทําความดีความดีแม้จะน้อยนิดหากหมั่นประกอบทำความดีทั้งกลางวันกลางคืนก็ย่อมจะมีผลเปรียบเหมือนกับตุ่มน้ําที่มีน้ําหยดไปทลยดทลยด ก็ย่อมจะเต็มตุ่มได้อย่างนี้จะว่าเป็นโทษหรือบาปอย่างไรขอรับหลวงพ่อท่านอาจารย์พอฟังแล้วก็สแสดงความชอบใจเอ่ยว่าถูกถูกถูกแล้วภิสูรรูปที่สองจึงแจงว่าถ้าว่าโดยเจตนากันแล้วหากมีคนใดไปเหยียบหอยทากเวลาเดินไปสวดบนต์ตนมื ด, ด, ดนั่นก็ไม่ใช่มีเจตนาฆ่าเมื่อไม่มีเจตนาก็ไม่ใช่เป็นกรรมอันใดผลยังจะสะท้อนว่าเป็นความปลอดภัยของมหาชนเป็นอันมาก ที่วัดนี้ไม่ได้เป็นแหล่งสุดท้ายที่มีหอยทากเป็นสัตว์ทําลายพืชผลและตัวเพาะโรคสู่ประชาชนและยังเชื่อว่าช่วยกันทําตามประกาศของราชการให้หัวเมืองฝ่ายใต้กําจัดพาหะเชื้อโรคชนิดนี้ไปด้วยทุกคนในวัดก็จะได้อยู่กันด้วยความไม่มีโรคเพื่อประกอบขิดปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปเป็นผลดีทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสิ้นทั้งมวลมิใช่หรือขอรับหลวงพ่อท่านอาจารย์พอฟังจบก็แสดงความชอบใจอีกว่า ทูกูกทูกแล้วนีก่กระทูกภิกษุรูปที่สามชี้แจงบ้างการบำเพ็ญทาให้ความปลอดภัยแก่คนส่วนใหญ่โดยมีใครคนหนึ่งต้องเสียสละรับเป็นภาระไปเสียเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเขาได้ประกอบทําความดีหลุดพ้นหลุดไปตามทางของเขาตลอดไปถึงสัตว์ใดๆแม้จะอยู่ในร่างที่ต่ำต้อย ธรรมชาติเห็นความตัดสรู้ก็ไม่ได้มีน้อยไปหรือมากขึ้นเพียงแค่ปัญญายานโพลงขึ้นวาบเดียวผลกรรมใดๆมีมากน้อยแค่ไหนก็ย่อมถูกยกเลิกเสียสิ้นดูแต่มหาโจรใจร้า ย, ายาบาปกรรมอันเกิดกลาง ก, ก็ยังเปลืองกรรมอันมหันนั้นได้เพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวอย่างนี้จะมิเป็นการถูกต้องหรือขอรับหลวงพ่อท่านอาจารย์ได้ฟังจบก็แสดงความชอบใจและตอบว่าถูกถูกนี่ก็ถูกอีกแล้ว ขณะนั้นสัมเณี น, นุปถาค ก, กำลังนั่งพัดอยู่ข้างหลังอาจารย์ผู้เฒ่าได้ฟังเขาชี้แจงไปแต่ละคนแต่ละคนหลวงพ่อก็ตอบว่าถูกถูกถูกเนสุจะอดทนฟังต่อไปไม่ได้จึงยกมือเอ่ยขัดขึ้นเพื่อขอแสดงความเห็นหลวงพ่อโตกุสันทราบดังนั้นก็เหลียวหมุนมาตั้งใจฟังสัมเณี น, นอีกรายไหนเจ้าว่ามาสิหลวงพ่อถามขึ้นมาสัมเณี น, นึงตอบว่าหลวงพ่อได้แต่ร้องว่าถูกถูกถูก มันจะมีถูกกันเปนหมดทุกฝ่ายได้ยังไงถ้ามีถูกอันใดอันอื่นก็ต้องผิดสิขอรับหลวงพ่อพอท่านอาจารย์ผู้เท่าฟังจบก็ตอบแสดงความชอบใจอีกว่าเอออันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกถูกอีกแล้วตอนนี้นิทานจบแล้วแต่จากเรื่องราวที่เล่ามานี้ท่านผู้ฟังมีความเห็นยังไงครับใครคือถูกใครผิดลองเอาไปคิดกันเล่นๆนะครับสวัสดีครับ